ข้อศาดของชาวอีสานทะทางใต้ก็เป็นวันตายายทำให้เราได้ทำบุญอุทิเศกุศลให้กับบรรพุุษที่ล่วงลับไปแล้วประเพณีบุญเข้าศาดหรือวันตายายก็มาจากพระเจ้าพิมพิสารคือมีอยู่คืนหนึ่งท่านได้ยินเสียงร้องหวยหวนที่น่ากลัวตอนเช้าท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุธองค์ จึงบอกให้พระเจ้าพิวิษา์เนี่ยทําบุญอุทิศสุสุสนไม่ให้บัพปุลุทที่ล่วงรับไปแล้วที่เป็นเปรตแล้วมาขอส่วนบุญพระเจ้าพิวิษา์ก็ทําตามหลังจากได้รับส่วนบุญสุสุนแล้วเปรตเหล่านั้นก็หายไปไปสู่สุคติแล้วก็เป็นประเพณีที่ชาพูทธก็ทําตาม ส, สืบต่อกันมาประเพณี น, น, นี้ก็ดีทําให้เราเดี่ยวเป็นคนกระตันยู รู้บุญคุณบิดามันดาปู่ย่าตายายเวลาเราไปงานศพเนี่ยเรามากัมกจะพบกับความจริงคือสัจธรรมแล้วก็สิ่งที่หลอกลวงด้วยความจริงก็คือเราเห็นศพถูกเผาหรือฝังครั้งหนึ่งก็เคยมีชีวิตเหมือนกับเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมชาติไม่มีใครหลีพ้นอัตมาก็ไม่แน่ใจว่าพระที่ร่วม สวดมนต์ให้จะทําให้โยมไปสู่สุคติได้จริงๆยกที่ตายแล้วนะงานศพเนี่ยก็ทําให้เราเห็นสัญชาธรรมความจริงทําให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมโทมของสังขารถือเวลาก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่วัในใดก็วันหนึ่งแต่บางครั้งพิธีตองก็ปิดบังความเป็นจริงเพราะคำอวยพรที่พระให้บางครั้ง มันก็เชื่อถือไม่ได้เราต้องพึ่งพาตัวเองก่อนถ้าเราทาความดีเราก็ต้องได้ดีทำชั่วเราก็ได้ชั่วตามกฎแห่งกรรมถ้าเราทำไม่ดีต่อยพระสวดอวยพร ด, ดีๆก็ไม่เกิดผลแต่ถ้าเราทาความดีถึงพระจะสวดหรือไม่สวดบุญนั้นก็ให้ผลประหังญาติพี่น้องเวลาประกาศประกาศเรื่องของคนตายเนี่ยก็จะอวยอวยกัน เกิดความเป็นจริงความดีต่างๆที่ทำก็ไม่รู้ขุดมาจากไหนทั้งที่เราก็รู้ว่าตอนสมัยที่บิชิตอยู่เนี่ยคนนี้เป็นคนยังไงอันนี้คือสิ่งที่หลอกลวงบดบงังความเป็นจริงของงานศพแทบทุกงานวันนี้ก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำความดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนมีการเล่ากันมานานแล้วอาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นเดีบ้าง แล้จะผ่านกับเวลามานานมีเศรษฐีใจบุญท่านหนึ่งเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนใจดีมีภรรยาที่ขี้เหนียวทั้งสองอยังไม่มีลูกที่ข้างๆบ้านเศรษฐีก็มีหนุ่มนักศึกษาคนหนึ่งฐานะยากจนแม่ของนักศึกษาป่วยหนักแล้วก็ถึงกับความตายนักศึกษาไม่มีเงินที่จะซื้อโรง แล้วก็จัดงานศพให้แม่ไม่รู้จะทําทไงดีจึงตัดสินใจลักลอบเข้าบ้านเศรษฐีและได้ไปขโมยเงินมาจํานวนกั น, นึงแต่ก็ไม่ปฏิเสธารจะขโมยจึงอธิษฐานจิตว่าเงินส่วนเนี้จะขอชดใช้ในชาติหน้าไม่ว่าจะเกิดเป็นวัวเป็นควายหรือเป็นอะไรก็ตามจะขอใช้นี้ทั้งตัวทั้งดอกเศรษฐีเข้ามาตรวจดูทรัพย์สินแล้ว ก็รู้ว่าถูกขโมยไปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธหรือไม่ได้ทุกร้อนอะไรก็ถือว่าสะดเดาะเคาะไปต่างกับภรรยาที่รู้สึกโมโหมากและเสียดายเงินที่ถูกขโมยไปจึงด่าว่าคนขโมยตลอดอีกไม่กี่วันต่อมาก็มีหลูกจีนท่านหนึ่งเดินทางมาหาเศรษฐีที่บ้านขอฝากเงินไว้เพราะท่านเนี่ย ได้ ร, รายเงินเพื่อไปสร้างเจดีย์บุรณะวัดที่เสื่อมโทรมชาวบ้านที่ศรัท ธ, ธาก็ให้เงินมามากมายท่านเกรงว่าเดินทางอีกหลายแห่งพกพาเงินไปก็ไม่สะดวกอาจจะสูญหายหรือถูกโจยจี้ก็ได้ได้ข่าวเศรษฐีคนใจบุญคนน่าน่าถือตาเชื่อถือได้จึงนำเงินมาฝากเศรษฐีก็ยินดีรับฝาก จะช่วยแบ่งเบาภาระให้ท่านสลวงพ่อก็เดินทางต่อไปเพื่อไปเรียกรายเงินต่อฝ่ายภรรยาเศรษฐีเห็นเงินก็เกิดความโลภเงินจํานวนนี้ก็มากกว่าเงินที่ผูกขโมยไปแต่ก็ติดตกเศรษฐีจึงใช้อุบายให้เศรษฐีเนี่ยไปต่างจังหวัดเรายังไม่มีลูกให้ไปขอลูกกับกษัตริพเจ้าศาลเจ้าแห่งหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มีคนไปขอกันมากมายเศรษฐีก็ตกลงก่อนเดินทาง ก็กำชับภรรยาว่าถ้าหลวงพ่อแวะมารับเงินคืนให้นําเงินของเราเนี่ยถวายท่านจํานวนหนึ่งแล้วเลี้ยงอาหารท่านด้วยภรรยาก็รับปากอย่างดีหลังจากเสรษฐีจากไปวันสอวันหลวงพ่อก็เดินทางมาคือมารับเงินภรรยาเสด็จถีก็บ่ายเบี่ยงพ่อเนี่ยฟันเฟือนแล้วไม่เคยฝากเงินที่นี่ไม่มีเงินที่ฝากหลวงพ่อก็บอกโยมอันนี้เงินบุญจากสาาตัตยาธิษยโยมนะ ยงโกงไม่ได้นะเธอก็ยืนลายเป็นเดิมบอกไม่เคยได้รับเงินฝากใดๆพ่อมากล่าวตูเอาเองแล้วเธอก็สาบานบอกว่าถ้าเกิดเคยเคยรับฝากเงินจริงก็ขอให้ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดหลวงพ่อก็ยืนยันเป็ือนเดิมเพื่อจะขอเงินคืนของเงินสัตยาของโยมเธอไม่สามารถนาไปใช้ได้หรอกยังไงก็ต้องคืน เธอก็สาบานอีกบอกถ้าเธอเอาเงินนี้ไปจริงขอให้ตกระลกขู่พี่ลึกที่สุดหลวงพ่อจตุรัญญาจึงลาจากไปไม่ได้เงินคืนการเวลาผ่านไปสองปีภระยาเศรษฐีก็ตั้งท้องได้ลูกชายคนแรกและตั้งชื่อให้เด็กชายว่าตีใหญ่หลังจากเด็กคนนี้เกิดมาครอบครัวเศรษฐีก็มีโชควรลาบอยู่เป็นประจ ทำมาค้าขึ้นผ่านไปอีก2ปีเธอก็ตั้งท้องอีกคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายชื่อว่าตีเล็กตีเล็กเกิดมาขเขาปวดเศรษฐีทำอะไรก็ไม่ร้บลืนติตีก็ขัดไปหมดต่างกับตีใหญ่กาลเวลาผ่านไปจนทั้งตีใหญ่ตีเล็กโตเป็นหนุ่มตีใหญ่ก็ช่วยพ่อแม่ทำมาค้าขายจนช่วยให้เศรษฐีร่ารวยขึ้นกว่าเดิม ตรงข้ามตีเล็กเที่ยววันเอาไปเที่ยวเตะสุขสถานเฮฮากับเพื่อนเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนเล่นการพ น, นานกู้นี่ยืมสินวุ่นวายหมดจนทำให้พ่อแม่และคอยตามใช้หนี้สร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่ตลอดมาจนตัดสินใจแบ่งมาโลกให้ทั้งสองคนเท่าเกันหลังจากได้รับมาดกไปแล้วทีใหญ่ก็เหมือนเดิมขยันลหาากิน เก็บหอมรอมริบด้วยความประหยัดตัวข้ามตีเล็กนี่กลับใช้เงินอย่างสุรุ่สุร่ายเล่นการพนันกินเหล้าเขานาฬีจนในี่สุดมาดอกก้อนใหญ่ที่ได้มาก็หมดพอหมดก็ได้ถึงพี่ชายก็เข้าไปขอเงินจากพี่ตีใหญ่ไม่ให้ตีเล็กนี่ก็ใช้ความเป็นนักเลงข่มคูเบียดเบียนจนตีใหญ่เนจะกุ๊ก แล้วก็ตอมใจล้มป่วยแล้วตายในที่สุดตีใหญ่ตา ย, ต, า ย, ต, ายตีเล็กก็ยึดสมบัติเป็นของตวัวทันทีแล้วก็เริ่มล้างผาน ส, สมบัติของพี่ชายต่อสร้างหลักทูให้กับพ่อแม่อย่างมากแต่กบุญที่ทำไงภรรยาเศรษฐีร้องไห้ทุกคืนจนน้ําตาเนี่ยกลายเป็นเลือดมีเลือดไหลมัางตาเลยจนในที่สุดเธอก็ตายไปตีเล็ก ก็ไปเที่ยวผู้หญิงจนติดโรคแล้วก็ตายไปเหมือนกันตอนนี้ขขเขาคคเซตีก็เหลือเซตีคนเดียวแหละเมียแล้ลูกชายทั้งสองก็าตายหมดแล้วเษฐีเสียใจมากถึงกับบอกว่าฟ้าดินเนี่ยไม่ยุติธรรมทำไมถึงกลั่นแกล้งตัวเองขนาดนี้ทั้งที่ตัวเองทาความดีมาตลอดจึงเดินทางไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์กรนมาก ไปถึงก็ตัดพ้อกับต่อหน้าเทพเจ้าองค์หนึ่งบอกว่าองค์ตัวทําความดีขนาด น, นี้ทําไปถึงทํากันได้อยู่พยาบาลไม่ยุติธรรมเลยแล้วก็ร้องไห้จนหมดสติไปตื่นขึ้นมาเศรษฐีก็ตกใจเพราะตัวเองมาอยู่ยที่หน้าโรงพยาบาลโยมมาก็ถามท่านว่าเราไม่ยุติธรรมหรือเศรษฐีบอกใช่แล้วก็พูดจาตัดพอ้อโยมบาลยให้โยบทูตเนี่ยนําลูกชายทั้งสองมาเศรษฐีเห็น ตีใหญ่จึงเอ่ยปากลูกกลับไปอยู่กับพ่อเธอตีใหญ่เห็นหน้าเศรษฐีก็ไม่ได้รู้สึกยายดีอะไรเอ่ยได้ต้องเสียมรัรบเรียบว่าข้าไม่ใช่ลูกของท่านข้าเป็นนักศึกษาที่อยู่ข้างๆบ้านท่านแม่ข้าตายข้าต้องการเงินซื้อโรงและจ่ายการศพจึงเข้าไปขโมยเงินในบ้านท่าน หลังจากฆ่าตายก็มาเกิดเป็นลูกของท่านช่วยทำงานช่วยหาเงินเพิ่มใช้นี่ท่านทั้งต้นทั้งดอกตอนนี้ก็ใช้นี้ครบแล้วเศรษฐีได้ฟังก็ม่รู้จะทำไงหไันไปมองทิติเล็กลูกกลับมาอยู่กับพ่อเธอะติเล็กก็พูดเหมือนที่ใหญ่บอกข้าไม่ลูกของท่านข้าคือพระที่นำเงินเอาฝากท่านแล้วถูก ภรยาโกงค่าจึงต้องมาเกิดเป็นลูกของท่านเพื่อทวงเงินคืนทั้งต้นทั้งดอกเศรษฐีได้ยินเรื่องนั้นต ก, กใจมากเลยเอา้าเงินคืนไปแล้วไม่ใช่เหรอทําไมถึงเป็นแบบนี้โย บ, บานก็ให้นําภรยาเศรษฐีออกมาภรยาเศรษฐีมีสภาพที่น่าสังเวชใจมากเนื้อตัวบอมแรม ม, มีโซ่ล่ามทั้งแขนทั้งขา ในตาก็หลั่งน้ําตาเป็นเลือดสิทธิีถามเธอก็เล่าใหฟังว่าเธอเนี่ยได้โกงเงินที่หลวงพ่อฝากไว้ไม่ได้คืนให้และสาบานกับหลวงพ่อไว้ว่าให้ร้องไห้น้ําตาไปใส่เลือดแล้วตกตะกลุกคุมลึกที่สุดตอนนี้กําลังลังกกรรมจากสิ่งที่สาบานไว้สเศรษฐีเข้าใจสัญรรมันชีวิตหลังจากได้สติตื่นขึ้นมา เศษีก็เข้าไปที่วัดแล้วก็ได้บวชตลอดชีวิตอีกเรื่องหนึง่งชายคนหนึ่งชื่อว่าบุญมีฐานะร่ำรวยในบุญเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนอื่นทำบุญแบบครา้งละางมากๆจนเป็นนิสัยเพราะทำบุญบ้างเนี่ยจทำให้ในบุญเนี่ยเงินเริ่มเลื่ยหล่อลง จนฐานะฐานะจากเป็นคนที่รวยกลายเป็นคนที่ยากจนถึงจนแกก็ยังทำบุญต่อไปและกลัวว่าภรรยาจะลาบากจึงนาภรรยาเนี่ยให้ไปอยู่บ้านเศรษฐีเพื่อเป็นคนรับใช้เศรษฐีก็ให้เงินมาจำนวนหนึ่งในบุญได้เงินมาก็นาไปทำบุญอีกจนเงินหมดจนในที่สุดในบุญจึงจำเป็นต้องขอทาน เพื่อประทังชีวิตบางวันก็ได้อาหารบ้างไม่ได้บ้างจนไปที่โจทจันทกันไปทั่วเดือดร้อนถึงเทวดาบนสวรรค์ต้องประชุมกันว่าทำไมในบุญถึงโชคร้ายได้รับขอ้อกรรมแบบนี้ทั้งที่ทำบุญทำเพื่อดีมากมายตรวจดูก็รู้ว่าในบุญเนี่ยในบุญละทำกรรมไวหนักมากเจอรับกรรมอีกสมชาติชาติที่หนึ่งจะต้องอดอาหารตาย ชาติที่2จะต้องโดนฟ้าผ่าตายชาติที่สามจะต้องเสือกัดตายเหล่าเทวดาจะมีมติให้ในบุญเนี่ยรับกับในชาติเดียวช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อยู่ในภาะวะเข้าย่างหมากแพงหรือภัยแรงในบุญก็ขอทานไม่ค่อยสะดวกบางวันก็ไม่ได้ทานอาหารทาให้ร่างกายซุบโสมผายผ้อม วันนี้ในบุญก็เดินทางเพ้่ไปขออาหารในเมืองขณะที่เดินผ่านป่าข้างทางท้องฟ้าก็มืดคืมฟ้าร้องแล้วฟ้าก็ผ่าลงมาที่ตัวในบุญจนช็อกฟุบลงมาอยู่ข้างล่างแต่ยังไม่หมดลมนะเสือหิวโซตัวหนึ่งที่อยู่ในป่าบริเวณนั้น ได้กลิ่นเนื้อไหม้ที่ออกมาตามกลิ่นก็เจอในบุลข้าวก็รีบตะคุบกัดในบูญทันทีกัดแถวคอเจอในบูญกระสิ้นใจตายสภาพศพก็เละเทะข่าวการไายของในบูลน่ทราบไปถึงภรรยาที่อยู่บ้าเศรษฐีเธอก็มาร่วมงานศพก่อนที่จะฝังศพลงดินเธอก็ตัดพ้อว่า บุญไม่เคยช่วยพี่เลยขนาดทับฟารีวมากมายแล้วเธอกัดนิ้วจนเลือดไหลออกมาแล้วก็ใช้เลือดเนี่ยเขียนไปที่หน้าผากของสามีเธอว่าบุญไม่ช่วยจากนั้นไม่นานเจ้าเมืองก็ได้โอรสคนใหม่มีการเฉลิมฉลองกันแต่สิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับเจ้าเมืองก็คือเด็กจะร้องไห้ไม่หยุด และที่หน้าผากเนี่ยมีสัญลักษณ์อักษรดแดงๆสามคำคือบุญไม่ช่วยจะเบิกกรเป่าประกาศว่าถ้าใครเนี่ยสามารถลบรอยสีแดงที่หน้าผากเด็กและทำให้ทาให้โอรสเนี่ยหยุดร้องได้ก็จะให้รางวัลอย่างงามก็ไม่มีใครสามารถทำให้เด็กหยุดร้องหรือลบรอยที่หน้าผากได้ความทราบไปถึงหญิงที่เป็นอดีตภรรยาของนายบุญเธอจึงรู้ว่า ตอนนี้บุญช่วยทําให้สามีเธอได้เกิดใหม่แล้วจึงไปหาเจ้าเมืองแลวขอดูเด็กเด็กเห็นหน้าอดีตภรรยาก็หยุดร้องมองหน้าด้วยความดีใจเธอก็อุ้มโอรสแล้วใช้มือแล้วเขาใ อ, อยรูปที่หน้าผากสิ่งประหย์ดที่เกิดขึ้นคือรอยสีแดงนั้นก็หายไป เจ้าเมืองก็ให้รางวัลโดยขออะไรก็จะให้เธอก็บอกว่าขอพี่เลี้ยงดูแลโอรถตลอดชีวิตเจ้าเมืองก็ให้ตามนั้นเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีตอนหลังบุญช่วยท่านบุญเราก็ต้องทำด้วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งจากสิ่งภายนอกซึ่งไม่แน่ไม่นอนวันนี้นอกจากเป็นบุญเข้าศาสตร์หรือบุญตายาย นึกถึงบุตรยายสมัยที่อยู่สวนโมกเนะวันนั้นเป็นวันที่พากกินกันจนจุกเลยกินจนอ้วกเพราะยาติโยมจะเข้าวัดมากมายแล้วก็จะนำปิโตมาถวายปิโตจำนวนมหาศาลยากองอยู่แถอหน้าหลวงพี่หลวงพ่อแทบทุกรูปบ้านก็ยี่0ปบสามสิบปิโตชาวบ้านก็มอง ว่าจะเปิดปินโตตักอาหารเพื่อนวะชาหรือไม่ก็ต้องตักเปิดแล้วตักใส่บาทหรือไม่ก็เขียนให้เป็นรอยเพื่อให้โยมมีความสุขหลังจากนั้นญาติโยมก็นิมนต์ให้พาในวัดเนี่ยนะไปส่วนบัณิกาททำบุญกระดูกก็ต้องไปเจออาหารเพลนคือป็นโตอีกโตเยอะแยะในวันที่พระกินกันแบบ จนม่รีกินยังไงแต่ก็สนุกนะเป็นวันที่ญาติโยมเนี่ยพร้อมจากระทาบุญนึกถึงความดีของปู่ญา ต, ตายายหรือฝกระตาญยูแต่ทางทางอีสานจะไม่ค่อยคึกคักเหมือนทางใต้วันนี้ก็บ ว, วันครบรอบคล้ายวันมรณภาพของหลวงวัเทียนหลวงเทียนเกิดวันที่ห้ากันยายน พิศกราสสองห้าสี่ท่านบรรณภาพวันที่สามกันยายนสองห้าสามหนึ่งสามเดือนปีลวทาลาสังขารตอนหกโมงสิบห้าทีเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังลาลับจากขอบฟ้ารู้สิทธิหูหาหลวงว่าเทียนก็ควรระลึกถึงบุญคุณของท่าน เวลาปฏิบัติธรรมท้อแท้หมดกําลังใจนึกถึงบุญบารมีของท่านหรือสภาวะธรรมของท่านก็จะเกิดกําลังใจขึ้นมาไมสใช่การสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมสร้างความรู้สึกตัวถ้าไม่มีหลวงพ่อเทียงก็ไม่มีหลวงพ่อขงเขียนถ้าไม่มีหลวงพ่อขงเขียนก็ไม่มีว่าบาสุขโต เราก็ต้องปฏิบัติบูชาคุณหรือถึงท่านตัวามาเองก็เกิดมาไม่เคยเจอหลวงพ่อเทียนเลยแต่ก็ถือว่าท่านมีบุญคุณงั้นเราก็พร้อมใจกันแลลึกถึงบุญคุณความดีของท่านอามาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอความขอความสุขความเจริญจงปิดยิโยมทุกท่านเอวัง